ในงานกระถิ้นคุณชวนสอนสงา์เมื่อคืนวันที่9พฤศจิกายนพศ2512จวัตป่าบันตันโดยพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนท่านพาไไิจารณาใจเป็นเรื่องสำคัญ เนงานพินเศษของนอ้องเดียร์ครับอย่าให้ย่อหย่อนอย่าคิดโุ่มคาดนี้ว่าที่นั่นจะดีที่นี่จะดีไม่มีที่ไหนกอทุก้คนนอกจากในใจทำไมเหตุดีชั่วจะเกิดขึ้นที่ใจการแก้ตรงแก้ตร ง, งที่นี่แต่จะทํารวมดีที่ใ น, นใจการคิดมน่มคาดนี่ ยึดเป็บบนขอความรำคาญขอความหลกเยียนเป็นนึ่งให้ติดตั้งะนนั้การไปผมไม่ได้ห้ามแต่โดยมากไปมันไม่ควาได้ร่องในเรามันเสียไปซะมากมายคือไปก็ไปอย่างไม่มีเหตุผลใครลดความอยากที่ว่าที่นั่นจะดีที่นหนึ่งจะดีเวลาไปแล้วภาพที่วาดไว้กับความจริงนั้นเหมือนกันความจริงมันคือเน้อใจ มันมีทุกคนในไทยอยู่จริงไปที่ไหนจริงต้องแสดงสองอย่างนี้เป็นหน้าภาพนี้นไม่สามารถทึ่เข้ามาคป็นตัวจริงได้วาดว่าที่นั่นจะดีที่นี่จะดีค่ะไปคนตั้งก็ตั้งใจมันมันมันดีจริงอย่างที่ว่าใครจะมาอย่างคนดีนสอมมนด้วยคนเขสอนด้วยความดีแต่ไปแล้วมันเลวไหลไปทางนั้นอันนี้แบบลำบากอันนีมีแต่ความรุ่งร้อน เพ่อหาความเย็นในแบบสมองใจเราโดยเฉพาะสมือนนกัถ้ามีตัวทํามวิร้อนมันจะอยู่ได้คนเราเ่าอยากมีชีวิตไปต่างกับต่างกันที่ไหนมันก็อยากตายฉะนั้นเนี่ยเพื่อเพื่อเป็นทางออกแต่มันก็ไม่ใช่เป็นทางออกเรื่องทุกมันอยู่ที่หัวใจมันจะออกไปไหนมันอยู่ที่ไหนเห็นเย็นแต่ในนี้มันก็ไม่เจอเจอเรื่องของทุกของตัวเมืองไทยพอเย็นขึ้นมาที่หัวใจมัน มีอะไร you, enfin well in no มันแสดงขึ้นที่นี่เห็นกันที่นี่รู้กันที่นี่หมดและแก้กันที่นี่เลยเมื่อแก้ที่นีู่่แล้วมันไม่มีการมีถานที่ยวที่เสำคัญมั่นหมายว่าที่นั่นจะดีที่นี่จะดีหมดหมายก็หมายอะไธรรมดาที่เราใช้ในกันห้าเราขาดมันหมายอันนี้ไหมายไแต่ว่าจะหมายว่าความสุขความเพลินจะอยู่ที่นันที่นี่ลงไหนก็ลงไหนมันไม่หมายเพราะมันไม่ไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าใจที่ แสดงตัวเป็นไฟมันรู้นอยู่ที่นี่นะไม่หา้าวจะไปสงสัยที่ไหนนึ่สง ส, สัยทุ่มตรงนี้นไไหนึ่วดคันเพราะงั้นมีจิตมีใจมีเงินไปหนึ่งเงินที่นก็งแต่ไมมาแต่ต้องําเ็มันอง ม, มันเป็นอิมคาแทงม่ น, น, นมด้เด็ดแต่ว่าข้นา่งารต้องาำไป เ, ยย เ, เรื่อยเกี่ยวต้องขยัน มนไม่เมาขาไม่คคิดว่าไปที่ไหนมันจะทําได้เริ่องเดิมมันเพ่งไปที่หนึ่งตสวเคร่ อ, อมันไม่มีในทํามรู้สึกของเที่ไหนก็นมีไปติดตั้งเยรยาบทเหมือนเป็นไไปเลยเยรือบทใดมันหนักมากมันก็นั่นหน่ะมันจะเก่อขึ้นในเรืบทนี้นัน่งมากมันก็เป็นทุกนั่งมากไปด้วยมากถ้าไปทำธุรมีแต่นั่งอย่างนั้น หนึ่งวันหนั่งคนเป็นทุกทายนะให้พกันตั้งใจให้มีจิตใจเด็ดเดียวอาบารต่อการลื้อฟื้นตนเองขึ้นจากเละจากลมยุคื อ, อทคนที่เละเพื่อเสียบแทงจิตใจเราจะเห็นที่ไหนอะไรว่าจะเป็นจุดนอกจากการลื้อถอนสิ่งที่ เกียดแขนให้เกิดทุกนี้ออกจากตายได้เท่านั้นไม่มีที่ไหนจะเป็นถูกเหตุแต่ละประเพณประเพณนี้อยู่ที่หัวใจของเราการแก้ตรงึงต้องแก้ลงที่นี้แก้ที่อื่นไม่ถูกอีกใจนี้มันพอยจีบไปกลางไปนนะพาไม่ไดับยึดนะลองทำความเพิ่มแข็งให้มีเหตุมีผลการรักษาตัวเอง จับกุดกระทำมารด้วยวิธีใดให้มีเหตุมีผลอย่าให้เป็นไปตามใจซึ่งมันมีขอบเขตมาตั้งแต่ใจไม่มีขอบเขตเพราะที่เกิดปัญหา ม, มันมีขอบเขตแต่รักษาใจได้ชำระใจได้นักเป็นศุนย์คนหนึ่มีรายเจ้าศูนย์เข้าใจที่ชำราได้ได้ใจตรงยาทั้งนั้นเลี้ยหมดไม่อยากอะไรทั้งนั้น ได้สิ่งใดมามันก็ไม่หาอย่ากได้ถึงนี่มันยากได้สิ่งนั้นมันยากสิงนี้ยาที่เขาไม่หยุดเพราะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับจิตใจได้มันนั่งเป็นทุกข์พอได้ทําให้สูญใจเท่านั้นพอเลยถูกเข้ามาเลยคนที่มีกิเลสจะเข้าใจมันเป็นสุขนะจะไปอยู่มาสามร้อยชั้นก็อยากเข้าใจเป็นสุข อันทุกข้นั้นแนะเพราะความทุกข์มันเข า, าที่นที่หัวใจถ้าทิเลตมันบางไปความทุกข์ก็บางไปทิเลตหมดไปความทุกข์ม่มีภายในใจอยู่ไหนก็สมายระองจำมว่าไม่ใช่ไเอาใจความสุขกับสิ่งใดมันไม่มีความสุ ข, ขอนอกจากสุเป็นยาทุก ข, เข์กขเผาในใจดิ้น วิธีจะฝึกเวามมต้นตั้งหลายตั้งมีแม่ต่างๆนั่งมันจะเ่อนอ น, นอน่้องเดินหาวิธีเพียรแทงเกี่ยงกลงมันอยู่เรื่อยนั่นจเป็นคนฉลาดเนื้อเสือมันถึงจะหยุดรอยไปได้ทดี่อเลยความสลาดม่เหนือมันขึ้นบนีิสัเหยียบย่ำทำลายลายเนึความทุกข์ฟังแตหวักความทุกข์ เกิดชินิดหนึงเงนกองทให้ไหวไปแล้วสงบไม่ได้ความทุกข์เกิดขึ้นทางกายเ็ทําให้กายไหวทางใจก็ทําให้ใจไหววุ่นวายถึงไม่ได้ขงดีพอที่จะนานตความทุกข์ทางใจเป็นเรื่องของที่เด็กพูดคุยขึ้นมาดับจ้ะังอบเกิดันี่หรืว่ามาันก็ก็วางมันก็กวงตามฐานให้มัน มันก็ยังมีขอบเิดที่มานคู่ฝั่งคนเราฝั่งเล ย, ยแค่นั้นแหละทำอะไรให้คุณละไมจิตใจแล้วทนจะคงเป็นคงเทพมาตรวจแกคุณละไมทำอะไรละไมติดใจตรงว่าเราเพิมนอนที่ เ, เดียวกันนั้นแกในคมจะหมดทุระช่ไหมต้องมันไม่ได้เป็นไปตามเหตนาเลยแต่ ว, ว่าอย่างนั้น เพราะจะน้นเทศก็คือตรงใจด้วคอนที่ประเทศเป็นที่นอกมานตัวเราเทศตนางกลางครเนอกไเป็นไหล่ที่อยู่ประดิษอกเรานอกประมาณนันก็เหมือนฝนกมานัก้าต้องกัรมากมากต้องไปลองเอา อาจารย์ผมแรกพูดถึเร่ออบเขตใช่ไหมค่ะว่าอะรขอบเตขตขบเตเป็นความสามารถสำคัที่สุสสสดคือการตัดสินใจคือเค็นบทต้องมั่ ที่นี่บอกความคืบหน้าการที่เราในหังขึ้นเป็นเรื่อดี้วก็พยายามบอัควมคืบหน้าในวงการ มันทางมให้ไปไปเราต้่อกาเจตนาเราไว้ด้วยว่าเจตนาเราจะไปตรงนี้มาเผพร้อมแล้วคุณจะตรงนี้ไปที่อื่ก็ต้องหผลบังคับเราต้องทำตามเจตนาที่หึงว่าอบในเหตผลี่องทำในการราตัวหน้าที่ต้อง ผลนี่แหละเป็หลักการทำผิดทำผ่ายเหตุแล้วก็เหตุผลเพั่คมาทำผ่ายผลเป็นความสุขเป็นสิที่สมนำขึ้นมาเป็นผลคือทําดยที่เหตุที่เกิดผ่ายเหตบคือการฆ่าของิดัก็ราขึ้นได้แต่เมื่อตดก็จต้องทาหนี้ให้ดินให้เดินตามเวลาไม่้องถื ไม่มีอะไรที่จะรักษาได้เพื่อการักษาตัวเราการรักษาตัวที่ยากมากการรักษาตัองเา่ข็มาแล้ว้งเรื่องกรหังาจนักผ่าใได้ในที่เดีนอนั่งทนนานไปไหนรู้ไม่เข้าไปงหนังลงอักรณ์เล ตอนที่เรียนบ้านมองนามองนามองจมูกมองจมูกนี่ทไม่เห็นรวมีมันจะรวมอะไรมอยู่ในงมาเป็นาน ina ina anyway. ี yeah. Just, ่เข okay. ้าใจเพราะไม่อย okay, ู่ที่นี่มันไปอยู่ที่น่นไปท่านมารวมกันทําน่ไไม่ทาอยู่ที่นี่กับชรวมกันพอรือ่ันนั้นอิ่แล้วโอ้โหแล้วกันหนรอแล้วกันงไงมันอิกเทล้วทำามเองนะานนะ ดีแรคำา้าคต่างก็มีระดับดงอ่าเจ้าเขาตั้งนาทีเป็นนิจโงหรหลงแล้ว่ข้าวอแบบได้่ขี่แต่นาทีถึงอะไรีกนะนี่ัอกันหงเลยอรแหนเหนันเช็ดมือนอนโข๋แล้วกันนี มันความรู้ได้นังีแล้วเราเลื่อนไปได้เลยนนี่ก็เล่าท่านั่งพอนาแล้ท่านเราท่านัน้ท่านมาถึงไม่เห็นไม่เยอะเลยราไม่ภาวนาเลยถ้าทถ้าเป็นนี่เราไม่ทำจะดีกว่าแล้วเอาว่าอะไรนี่ดีกว่าแลวคือไม่ทามันดีกว่าไม่ดีกว่าที่ตรงไหนในทางคือไม่ทำกไม่ได้อะไรนั้นยังมาดีกว่าอันหมดทาคนเราแั้นคือส็่งต่างๆถ้าทำมันจะเป็นร ทำชั echt, ่วมันจะเกิดความผลชั tea tea> ่วเปนมาทดีจะอันนี้เราตั้ใจจะทความดติดมาได้ดิเรื่องร่างานั่นเรานั่งตรงเวลาด้านตรงมน่เาการนไม่ได้ไม่ได้นลาวเลยแต่เราไม่คิดถึงผลอเราที่นั่งนั้นอ่ะติดงเราไปไนบ้างแต่เรามาเหมาทีเดียว่านี่นั่งขนานี้ผมได้รับประน์อะไราห้ม่งีอย่นี้ไม่นั่งที่ดีกว่านั่ น, นี่ก็ยิ่ง่าเด้นไปดังนั้นคุณจะหวดที่ที่ถูกเราต้องมา็นตำหน่ที่มันออกมานั่นมันคึ้นจากหึกจากความจรงที่เราต้องทำ น, นะที่ระดับสุดประสงค์จริงได้รอดนะไม่ผดเราต้องมานตำหน่งพวนั้นแลบวแก้ไขพวงนั้นผิดเ ข, ขา้ามา ถ้าเรแจ้งแล้วก็ไม่ทให้ดีกว่าเม่เสร็จันธุ์นไปไม่ว่าจะยิ่งไปยังไงถ้าจะไปแจ้งหรือหรือเสริมก็ได้นะไม่ทาให้ดีกว่าจะเข้าใจแล้วมันจะดีกว่ามันไม่ดีกว่ามันง่ายกว่ามนเถสุสุดจควาเปสิ่งี่่ยาไใจเพราะนั่นริงไม่มีวิชาวิยาขนานใดสิ่งใดที่จะมาตามาั จิตได้วกจิตหรือว่าทวามจิตให้หายไปโดได้นอกจากธรามะที่เป็นของละเอียดเข้าเทียมกันกับใจของเราให้ในในกระดองโลกนี้าธรมาเราถึงไหนถึรู้จะาทั้งจิติตขนาดของจิตที่ันจัยตไจอไปเส้นออกปฏิังสีอินญาจะเกิดเึ็นอะรอไนน้าภาวนาถ้าเข้าถึงจิตต้องรู้เดียพาะนั่นทำถึงนเ้น มันหลงไหลายทยก็รักไทยแล้วเปลือกไทยแล้วเปลือกไทยก็ร่วดมาความจมีนา่เสียเขามาประมวลประมวลไปไล่กระเป็นประชานที่นีหนักคําเหมือนกเราตามโรเหกนต้องตามรอยไปก่อนคบพอจับข้อแมเนี้เขาจะประดับที่ไหนประเนี้ยแตอาเราตามรอยที่มีปากขเพื่อความแน่นอนเพราะว่าโยเกียบตงไปที่ไหนเชื่อน้อยเช่อนอาโตัวนั้นทีตงามรอยไม่่อน ถ้าเราทำมันทำไม่ได้ต้องทำถึงตัวโผล่มาถึงตัวโผแล้วารอเลาต้มาเป็นบตัวโผแล้วความรู้สึาเราจะตกมันนี่นนิทานเข้าไปเจอตัวโโแล้วก็หมดหาความจิตทียียบด้ามจะ้อหเนี้มันมากมายที่ต้องตามด้วหรอกคํามรามันมีเรารอแต่บางการ แต่เร mm yeah. าไม่มีทางที่จะตามนะตามนะเวลาไม่ยากนี่ราไปตามไม่ไหวเวลาไม่อยากนต้อง mm hmm. มีทางเดินไปทางละเอียดามาอีกแต่จะจะใคยอยากตามลเอนี้ทางไหนเขตามนันจะมีการหลับตามกันแน่ตามจับตามความความแข็งแรงเป็นไดั้งมดเป็นไปในสภาะได่มีเรื่องหน ว่าจิตกักายต่างกันอย่างไรมากรู้มอประโยนที่สองมีความสงบจเป็นื้นฐานแล้วก็ได้อยู่ในธรรมดาพองสมาธิชอบเขาไม่จิตขอามันจะเห็นความไม่สติตวกับกายเป็นเพราาสวดขึ้นอยู่ในฐานในานมันจะเห็นเป็นควอยนะง มีความสามารถทางพลังงานมากก็เรื่องอะไรกจะเห็นเมื่อนิจิตถดิตัวอีกมากยิ่งเพราะว่าเห็นก็เห็นช่องทางที่จะแก้นะก่อนถึงะเริ่มอีกทีถึงนี่หมดงเลยที่ยังอยู่นี่ก็รู้กันตามเขาไปตามไ้นี่แบบเห็นนะทีมาแสดงตัวที่ไปเกิดในความรู้สึกอยางมาแสดงยังไง มันเป็นการเห็นวธที <c oughs> <c oughs> ่เหาเกิดเป็นอะไรก็ดีมันเหมานะฮะันก็เขายูอะไรเดินเนี่ดูเรเดาใช่ไหมล่ะจับกันที่เรเด้าเขาไม่ต้องมามองบนฟ้าเขาเครื่องเขาก็ดมาที่ไหนนั้นเข้าในนี้หมดอันนี้มันรวมที่เรเด่าที่จิตเราไม่ต่างกันไงเขาค้อกระจายกันคือพวกเขารงในหนังสือมันการอยู่ี ขึ inas, <ylum> ้นพระกันราไสี่ันเราก็ขึ้นพระจันร์ให้เขาเลยพระจันอยู่เพื่อเขาถึงพระจันรอธิบายทุอย่างขึ้นไปไปทางคณิตาต์พ <laughs> <of> ุดธางนทรคณิตศาต์ะธศานาอย่างนี้ขึ้นี้ขึ้นวิธีขึ้นอธิบายเขาขึ้นครบเขาขึ้นพระจันเขาไปเหยียบโลกพระจันทั้งหขึ้นแต่มันพานั่นและลีขึ้นขึ้นงานจะบวชไปเลยว่าจ่อยอยู พูดที่มันเลือดลาว่ามันยีงมีหมดมที่จะทำะไรจะทำอะไรให้สงสยัยต้มาสงสยัสงสยถ้าเราเห็นแล้วคุณเหมืมหนอน อ, าอ่างเว่าเราเราพูดถึงประเทศอเมริกานี่นะเราไม่เห็นแล้วก็เรากา็วาดภาพไปกัใ น, ในเฉยเขาทปอเมริกาเห็นจะเป็นยังไงเมือง น, นั้นเห็นจะเป็นยังนั้นนั่นมันก็วาว่าภาพไันเฉยผันนิเที่ททถูกแต่เวลาเรเห็นแล้วภาพกับที่ภาพภาพที่เรามาดไว้ มโนภาพนั <Es> <an> <S <S ่นเองกับคําจิงมันไกลในขนาดเลยแล้วที่นีภาพนั้นมันก็หายไปกันปือความจริงขนานี้อันนี้ก็เหมือนกันเกิดระพายล้วเกิดนิพายแล้วเกิดวิพายแล้วสูญแอันนี้มันถงสายยิ่งหมดแล้วมนมากภาพเลยนะผมก็จะมากภาพเลยไม่ใช่ธรรมดาผมสิ้นไปเลยแล้วก็ต้องมากภาพมันไปเพราะว่ามากทุกอย่าง เวาเราปฏิบ wow. so ัไปจริงๆความทีินี่กับภาพที่เราวาดแล้วมันต่างกันแค่ไหนมันจะเทียบกับประเทศอเมริกาที่วามันติดนาดนก็้ปมูทเราว่าว่าเมืองไหนที่เราจะไม่เห็นมันจะต้องวาดข้างบนมาดีพอเราเห็นตัวเมืองนี้จริงภาพั้นมาหายไปไม่มีคุณภาพแล้วมีอะไรที่จะมายืนยันความจริงเราที่เห็นไบางอันนี้เป็นสิ่งที่เหนหน้ามากกว่าที่หลักความจริงผมใจรำคาญเมื่อได้เห็นเข้าไปในจร ตามหลักธรรมชาติแล้วเรื่องข้าสงายที่เคยว่าแล้วมีท้ายที่หมดท้ายหนึ่งอันี้เวลาคนอื่พูดคุยตั้งเราก็รู้ทันทีว่าข้าเรื่อนี้เราเคยว่ากับก่อนแลซึ่งเป็นสิ่งที่จองจองเ้านั่นน่ะมีความจริงเวลานี้เป็นยังไงมันเป็นอะไรได้ไม้มองแค่หน่น่ะรู้มีจะแสดงตัวเราไปต่อพบต่อ่ามาละเอียดแค่ละเอียดที่สุดหลักปณิยานี้มันจะละเอียดแค่ไหนก็ไม่พ้น รู้จนดักได้ตาก่านหน้าหน้าท่านถึงบริถึงได้ท่านตาได้เวล้ตกได้ท่านรู้ท่านเห็นตากเข้ามาตากเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะเข้ามาตาเขาจะไม่มีอะไรหมดม่มีอะรจะตอบคบตอบท่ากรู้นม้จะดัตรงขันอยู่ในเวลานี้กับอารมณ์อะไรต่ออะไรต่อันมันจ็รู้ถาไม่มีอะไรจะตอบท่อนหมดเลย ดูแต่รูรรมชาติที่กำลังรู้ตามธรรมจารีท่านเจ็บจิรรมะอาวุธกำลังพยายามพึ่งด้รู้ตามหลักวามจริงรู้ชนะมรรคการจิตมีธรรมะระมัดที่เป็นหลักวิชาต้องทำแต่ตามรู้ตามจิตแต่ถึงหลักความจริงจิ ต้องสาดีสายชั่วที่เกี่ยว ต, ออต้องตัดคนออกข้าต้องมีหล้าม้าม้าหน้าหนุ่มันานะเดียร์มางนัหน้าเียากมากอ่ะคือสไซอย่างเราต้องทำอันนี้ดิ เงินคุณไแล้ว a นาเดายฮ่าฮ่าฮ่าเสจับจับเส้นจับอย่นี้ปกาะงวนุ่งงเนี่ย네ืันคิมันกะมก็เกาอเดอถ้านนก็เกาเห็นานนี้คนีต่อน่าจจะไปเส เอาหมดเอาหมดโลกปัจจุบันเาไม่เห็นว่าถูนมันก็ไม่เห็นความจริ ง, งมันไม่เห็นะมันมันมันจะเป็นเมตตามธรามพระฤาษีที่ทำพัดขั้นนั่นเป็นความจริงทพันเป็นเป็นเร <c oughs> ื่องของคนเอจิตตัดขาดกัน น, าน้านีต่มัเป็นเมัตามธร ร, รมนักคอมเทียวจะท่านจะมาพูดว่า นัต่องเที่ยวกคัอนักเดินทาหมดนักาพูดเหมเอมนีหยที่เที่วมันนมพอถ้หมด่าเื่อที่จะางองเที่ยวประกอกการจองทพืที่เงิ นี <force S 2> ่เป็นนถินเรือลำใหญ่ที่สี่ข้ามมาเึองนี่จะต้องเที่ยวกนับนีเกาะที่อยู่เาปรนคือบนทางนี้นั่นเป็นอาหารอุปถัมภ์เป็นอาหาร้านคาเราที่นับพันปวานเนั่นเ็อาหารของชาติานสืส่นัํทานอารมีอาหารนับระยะจะต้องมี สานการณอทานก็มีสาการณ์เสริมร่างกายก็มีนั่นก็พอทำได้แต่หลักใหญ่ก็คือาหารทุกทายถ้ารามีความหิวโมีวความนพระมาแต่ถ้าใจมันดีแทวก็เป็นกท่านอาหารสหาถึงกวันถ้าธรรมดาเราจะอดได้ไงอนไปที่อยู่เลยอ่าน คี่ท่มห้าโมงว่าที่นีเขาเอกสารเป็นสี่ทุ่มหาท่มหวันท่านสามารถทจะอยู่ได้อย่างสบาคือเดันใจที่มีตัวน่างกายก็เหนื่อยหงุดหงิดกลางกลางใจใไม่เต็กันเดี๋ยวเดินใจมันจะพับพงลงไป ข้าแต่เนี speakers, so so so ่ยใอยก่ทานาพเจ้วมันก็อยู่มาน้อารีาอน้หรมานม็มปมานาปนเปเปามาเาา ช่องที่จะอยู่ช่องที่จะไปคอมีชองยู่ก็มีง้วรา่เราะ้งนมนี้ีีที่่ยอันนี้เป็นหลักนะัดผูเราานุปกิดผูั่นม้เป็นผูเป็นการสาเหนาจะใช้รสื เคอาหนาสัตว้าทอันนี้มันเป็นเครื่องไม่เป็นข้นเหตุจที่ออกมาตัดใจนขนาดนีน้เป็นเครื่องมือของผู้ทำบุญทางแล้วอันาันก็เป็นไปแล้วแต่ส่วนเจตนาทางที่เปนขนาดนั้นมันเป็นขงตัดใจอ น, นั้นเข้ามาเป็นถ้ามาด วาดไม่ได้ไปสวรรค์สร้างกุศิกุศลแลไม่ได้ลปสวรรค์ตอนนี้ข้างไม่ได้ยุนคนกู้สร้างมันได้เนี่เลานี่เราใครมาสร้างนนั้นก็ได้มัเกิดจผู้ทำนีเป็นเครื่องมของการเท้าถึงรนะแล้วเราดูว่าอย่างนั้นตามนั้ เราวันี family, uh, uh, mm ้นะจะท่าจะจับรูปเป็นเราหัรก็ตามไปทางทางวัรปรางสัย์่านไม่ไปด้วยนะเนี่ยแล้วภูมิมาสมุดให้ทานด้วยมาบริจาคชวยสร้างเทารือสร้างวัดปรางสนี่เยตรงันกันจนการเป็นวัดที่มาเป็นศิษี์เป็นเทารึมาศิษย์เารึวัดแบบนี้ไม่ไปผู้ที่บริจาทันละไปนะถึงว่าทาเพื่อเราเขาจไว่าเพื่อเราหรือเพื่อเรา ในเรื่องวัดเพื่อวัตเป็นเรืองเพื่อนนอกๆเพื่อจิตใจทำอะไรก็เพื่อเราเพื่อเราไม่ตเกิดกิจการทำใจว่าทมอนั่นหละคือจิตางิตหมื่นจิตใจนันเราเดินทางร่มก็มีเสื้อแดดกันฝนก็มีรื่นก็มีรองเ้าใ่เยเสียเพื่อนแบบนอกๆปลอดภัยนะ ลองไปเหยียบตายไนไงให้เหมือนเหยียบกองไฟข้างบนกแขกเขาลงมาน้อนก็ร้อนมากทุกข์กทุกมากเราเดินทางไปขายเดียวกันคนมีเครื่องกล้องกันตัวคนหนิงม่มีความบอกน้ำจะติดกันมากมาคนหน่งมีเครื่องกล้องกันตัวเอารองช้าสำหรับกันแดดกนมีแ้แดดก็นอนเดินก็ตาม เบียบ yeah, no so ินพาเรียบไปเยียบินพาเรียไปไม่ร้อนบนขอมีร่มและกั้นกันแดดง่ายสมายคนไม่มีทั้งร่มไม่มีทั้งรองเท้าไม่มีข้าหสารที่รับทานตามทางคนนั้นทำมาไก้ให้ทางใช้เดียวกันก็แย่สุดขั้นถึงที่ว่าเรื่องเกิดเกิดนั้นกางการมองเชื่อแน่ว่าตามนั้นไงตามมันไม่เหนือนตรงที่ไม่เหมือน คนหนึ่งมีเครื่องป้องกันตัวเครื่องช่วยกมีคนหนึ่งให้มีไปก็มีอยู่ก็มีสิ่งที่ทำให้ไม่มีต้องมำบากมันควรจะมีสิ่ที่เราควรอาศัยแต่สิ่งที่ควรด่าใา่ไม่มีเสียหน่อยเป็นหน้าหนาวควรจะมีถ้าหอมไป็นเครื่องป้องกันทั้งให้มีเสียเวลาที่เหม่อขึ้นมาเท่าน้ำกินอาหารควรจะมาบากมันไม่มีเสียเราจะพูดอะไกัน ใช่ก็ต้องตาศัยอารมณ์อันเป็นของมันที่เรียกว่าบุญนั่นแหละเป็นอาหารของใจทำนี้แหละทำมาเขาจะต้องตัวเราจะต้องเที่อวเที่ยวทำเป็นผู้มีเครื่องก้องการเชื่อมีเครื่องมือมือถือเชือมันื่อพอเป็นคอฟ้าเนียมันมีแต่ความแฉะความเท่าโดยสายดย เกิดเา็นายชัดแบบนี้จะทำให้เขาดูไม่ได <c defender> ้ท้องทุกข์มาบานเขาูได้เมื่อแล้วเพื่อนจิตใจี่มีความงเย็นเห็นปะจกกับใจด้แล้วนั่นคเห็นปะจังเวลาสุดทายได้างใต้มันเป็นากร่องที่มันที่จิตจเป็นปนั่นไม่เป็นความสงบ ยอมเป็นผู้ชายมีจเป็นประจำมาจกนตะีบกันบ้างนั่นานก็เป็นระจำเร่องสองสาเกิดิตใจก็ตรงตัวอยู่ด้วยทำมากหนักจิตในี่ที่ดีอาวันี่ที่ดีตัวร้อนสงอางนี้โรคการจะมีโรกใจก็มีอีกโรคใจเกิดร้อนรอนทให้ตัสุขบยสุขใจหนักหนกก็น้ อ่านมาก็ทำให้ระลึกถึงทุกข้ามมากสำคัญจะลงทองใจพอใจขาดพักเกาะเลยติดเลยไปเลยแบบเพราะว่าเวลาอยู่คุณผู้ยมเลี้ยงแต่ลูกแต่หลังแต่ว่าแต่เวลาทำไนเกาะเนืไดไปเอาลูกมาหนักหลังขึ้นฮะแต่เวลาเวลาตาแล้ว เอาพอพอพอรัสินุ้งพแม่สมุทาไม่รับอะไรแตเวลาเรอยู่อ่ั่นก็ไม่เคยห้ามกงว้ายเาถือเราทำไปยานึ่งมันบาที่นั่นอาจารย์ไม่บวชบวชทาไมตางกัพอหลเวราเลยมาบวชมันําบาวะโธ่มันไม่เล่นนะเขียนยบวชมาได้ถือพรานเข้าใจไหมเคยรับสินจิพูทโพไม่เคยยินแม้แตเจรณานิดนึงว่าจะ ขันเขาเย็ยังไม่เคยมีเลยว่าอะไรมันชิ้มวันมันทุกขนาดไน้นควัคชินไม่ชิ้นควันอยู่ก็อยู่ควันอนอน็นอนไม่ได้นอนต้องสุดต้องทรมานตัวมันมีความลำบักบนน้าว่าพอลง ก, ก็ไปสวารบริพารนั้นเท่านั้นหร อ, อ, อมันน้าที่เดียวไม่ต้องมาบวชธรรมะหรือว่าะไรจะมาบวชบวชทาไมก็รู้ลเรื่องมันทรมานกันอยู่จะไปไหนมาไหนก็ต้องมีธรรมะมีอรเเครื่องปลุกปทอบเหมอ ขนานาทำได้นาะันลโดดตึนลงมาลงมาก็ได้ห็นไหะถ้าใครอย่จะจอเรามาลรมานก็ปล่อยมปทาเรื่องมันถึงเวลาแล้วก็พ่อลงสีงโปรโกลไปเลยมันจะสบายกันสบายนี่ก็จะอย่างนี้นอ่เราต้องฝดกเราเตรียมพร้อมมาทำทุกทำลำบากในการทำคุณงามความดีไม่ว่าวิถีใดเวลาผล เวลาเราทำเส็จเราจะต้องรู้สึกส่วนที่เราทาเนี่ยถึงกันฟ้ า, าเลยเขาประมวลมาหน้ามันเชื่อเราทั้งนั้นถ้ายากลาบากแค่ไหนก็เพื่อเราเพื่อเร า, เ พ, เ, ราเพื่อเราทั้หมดไม่ได้เพื่อผู้อื่นใดอั น, นั้นเป็นผลคอได้สำหรับผู้อื่นนะคนอื่นก็เป็นเราอันนั้นนป็นผู้ผิดมุม่งครัแบแค่นั้นแหละถ้า <c oughs> ยาก อ, าอะไรเป็นอะไรเช้นหนึ่างเรา การทมาลางทีเราที่ทำสุวันนี้แล้วก็ทำเพื่อเราเพื่อครอบครัวยากาล้วก็ต้องทำใครหนีเียไม่ได้ก็สิ่งเราทมันมีอถึงเวลารับทานต้องับทานถึงเวลาลันนอนถรงเวลาที่ทะคลายตัวเต้องทลายถ้ามันเป็นมังคับหนีเราได้หนีเียไ่ได้มันต้องเร่งทำงานเพื่อทํามอยากเป็นอันนี้จิตใจเวลาก็ต้องการจริงๆมันมือเราที่เาจนกรอบจนดีจริๆต้องหาเพื่อผู้อื่นไม่ได้ ยากิผมนั่งห้องรอมอยู่ญาก็อยากให้เป็นที่ขึ้นเกี่ผู้ที่จนกนนกาะท่านดังเต็มใจแต่ก็ไม่สามารถไอผู้ที่จนกาอนี่ก็ยากขึ้นญาติขึ้นไทยต่อไปทั้งหมดมันก็ไม่สามารถนะเวลามันตัดขาดขาดขนาดน่นนะมองเห็นกันอยู่อาศัยไม่ได้แล้วนะที่มันจะไปไหนเมื่อมองเห็นการอ า, า, าัย่แล้วมันก็ต้องย้อนหนะักที่จะอาศัยตัวเองอาศายตัวเองอะไรเราสร้างอะไรไว้บ้างนะ นี่เราเคยทำมาจนชินจิดชินใจเราพอเลื่อป้ามันวิ่งถึงทางป้าเลยเข้าเลยไปเลยถ้าเาทำมาเลยแบบว่าขาอโลละเราพ้อไปเอะเธอนลูแตกผีตายแตวมากกมันก็ไม่ไปมันจะทนนั้นหรืว่าไหนนะแบี้เราต้องฝาดใช่ไหประเทศตามหลักความจริงเช่นอย่างนั้นเวลาคนที่จะทำไม่ทำาบราณตาเรามาข้อโปโงง่ายนิดเดียว อะรนันีอะไรให้เขาหให้เขาไปตลาดนี่ตลาดทั้งหมดคุณไอ้ายข้อน่าแร์ให้ดูหน้าวันไทั้งหมดนี่กอน่าแชรราําลังองการเกี่ยวข้างอ้านีไปเยนี่ดูทุกลำบากนี่ไม่จะอาหรจะเรกันทุวันจนมันพิ้มตกคัพน่าสงสารจิ้ม้มมาก อาหารมันไม่มีรสสียเลนผ่ตามแวมานี่อาหารมว่ายแค่ไม่เลยไปดูที่โน่นปเยตัวติดไปตามต่วใกญ่ๆตวเขย่าน่นเขย่านี่ไล่มันไปไปดีเงี้ยไปเฉยเล่นอย่สนุกสนานบานไม่กลัวเลยนล้วเราลองมาดูที่่เราไปทานอาหารไม่มีเลย ทีไรก็ถึงนันะถ้าเขาไปนั่ต้องไปบูดเลยไม่มีจะได้ว่าเอออาหารข้ามหมดแล้วทำไมวะคงจว่างนั่นนะไปหามาเดี๋ยวนี้ใกล้ใกล้เป็อย่างนันมาดูก็เห็นแล้วไม่ได้การเราต้องรีบมาบอกเลยนี่นีบ้านชั่นมาเรามันถามทุกัวที่น the pues ี mm ่ก hmm ็ต so ้องรีบว่าแลเอามาให้หายเนี้ออะไรกลัวแล้วไม่ไปนักเรียแขนสูงไปเลยนะเอาแล้วคอ้เฉยทุกวันถ้ากลัวหมดไม่กิน มันแสนสูงในตวันตกนี่อยู่พอถุงเราตกแดงนี่สองมีสามไม่อม่ก็เป็นอนอย่นแต่เราก็บเขานี่ไม่ถ้ากดในคำถือแบบเรามีานะสูงกว่าเขาน่มันเป็นเพื่อนเกิดเะือาเป็นมาเล็กกรรมเหมือนกัน ผลักกรรมมีส่วนหนึ่ที่ให้เีคๆคือความสม่ำเสมอจากการทำของเสียให้เองไม่เดือนผู้ใดเป็นเช่นนั้นก็กรรมของเขามีสระจำตัวจับจับตรมตัวเขาถให้ยายแต่รับประกาพอดีับตววเขาเที่จะเประเทศใดสนข้อเหมาะคนีแบนผลกับจิใจเป็นโรงงานข้ารรมี อราจะหาที่อื่นโรงงานสร้างต่ำเปดูใจ่างเรามีแต่โรงงานาาาา ใ, ใหญ่โตสร้สางต่ำไม่มีวันเสาประทิามาไม่มีวันไม่มีตังค์ซื้ตังวันนอนหลับมันยังฝันได้ทำงา น, ลน ต, านตานาลอดเวลาเพราะฉะนเราต้องหางานดีๆเพ่อฟ้อนนะเราเอาเลิกเศษเลิกผีเพื่อฟ้อนใจมันจะผลงานออกมาแบบดูไม่ได้นะอาจารย์ังนั้นถือก็ว่าไลเราเป็นปากเปลา่าง้าวถือดูไม่ได้ว่ามปาปากตัวเองทาตัวแล้วมันดูได้เม่ไหร่ ต้องเตาอย่านี้สอนอางขงาวายคิดกลงเกี่ยงกลงแทไขายมืนั้นเราไม่ทันคนมายังพิเนะพิเศษที่มันละเอียกมากนะทัศน์สีปัญญาของเราทันเรามันก็ยอมยอมจมหน้ามือเนาะมองยากเยเรนออกไม่ได้เราไม่แข้อเีเราะราแขงอมันก็ ที่ว่านั่งองนาเวลาท้องนาไปแล้วตกเช้าที่นี่นี่จเหน่อยักหน่อยแล้วก็เาจอาขนาดเต็นที่อยู่อย่างไรนั่นนะยกกระดางท้อนาแล้วสี่ห้านี่มันจะเหนื่อยหมายหาเลือดตัวเนััหน่อยแล้วว่าลูกคุณอทางี้อาจจะเต็ที่อย่ที่ไหนได้มันลมพมันหงเยียบแต่ตอนเช้าตะวันหลวงโโหแล้วกันมันทําที่ขนาดนี้เนื่หน้าวันนี้สะดวกสมายเราคือเอาตอนเย็นยันเต็นที่อนกลางแเอาอีกนี่โอ้โแล้วมันเิน ใช่ที่ว่าเนี่ยแล้มันทนาดนั้นไม่เสร็จละ่นะ น, ลนะวันนี้เอาคุยไว้วันหน้ามเอามันนัมันหน้ามันก็เอาเราอีวันกมึงไม่มีรเค <c oughs> นี่จพูดว่าภาาจากตลาดนั้นส น, น, นุกส น, นุกนะเอาอย่างนี้นก็ฆ่าเสีย ท, าทานน่ามันนเคยเป็น้านเองเอาตัวเรื่องไปเองเอาไปขายขายไา้ีว่าชั่วย้อมนะมันเคยแ้งกัน คนแก่เป็นคนมายากมลยมีมากอะไรคนมามันก็ดีความเลื่ะต้องทำทุกความตัวอย่างความเคยแินตอกิสัยความนิสัยที่มันไปความเคยชินประการปฏิบัติต่อตัวเองความเคยชินไปทุกิทุกอย่าง พอมาเกี่ยวคำข้าววันี้เหตุผลไม่ต้องไปคำควรหรือไม่ควรคือไม่เอาคำอยากเราเป็นหัวหน้าเลยแล้วเมื่อเรามันอยากทาผีเหตุผลไี่ต้องวิ่งไปคำควรหรือไม่ควรพิจารณาเมื่อกบาเถ้าไม่ควรนี่ยคำอยากหายทันทีเพราะเรามันฝืนเอาไม่ได้เราเหตุผลเป็นหัวหน้าถึงฝืนทําไปจะต้องฝืนอย่านั้นเมื่อรู้เดี๋จะฝืนมันจะฝืนหน้าจะทำมาทำไมเราห้ามจะเพียร์ทรานั้นถ้าหลังก็อ่อนถ้าหาว่าเราสืนแต่วันนี้วันหลังเอาใจเนี่ย เมืติว่าเคยเคยห้าโมงนี้มันจะต้องเริ่มแล้วก็คุณคุณง่ายๆว่าเพี่ยงมันมันควรนะนะผมว่าหลังก็ะติชาควรเนี่ยเอายามมันยันทําเลยคืออย่างนั้นพอเปิดท่อแล้วมันจะต้องออกเลยเราดับน่าใชวันนี้วันหลังมันกว่ก่อนเราดับจะมีอะัรเตินที่ตอนนี้ใส่นี่เลยอยู่ในกรอบของเหิบชนลงเลยเรืความดําไม่ไม่ไม่หนุนมา นี่จะเหตุผลทนังที่จะคาบเองนั่นหลักการปฏิบัติการรักษาตัวต้องรักษาอยนะ่างี้ถ้าเราความอยากตามใจแต่เราเราผูา้ดำเนินางานเราคิดหาถ้าเราคิดผานเขา <c oughs> ตามตัผู้คนคิดผานะหะผู้ตัวเราคิดผาตัวเร <c oughs> าคิดผานมันเป็นไฟไม่เป็นโลคตั้งแสนตั้งมันก็อยู่กันะด้ทับแค่กนี่คือการรักษาตัวนั่นเการปล่อยตามใจ พยักชนะขาเราเนี่ยทุกติพยัญชนะตกงเหมาะกันไปการได้สะมากถจะน้อยการเจ็บรักษาเข้าไปต้องพร้อมกันคือว่ามีเหตุมีผลทังการเจยบการรักษากางอฏิบัติตัวเองทุกด้านดีแล้วทุก right? ติ่งัญีลำให่คือการปฏิบัติตัวเองเนี่ยมากน่าร right. like ู eh ้จักก็รักาเราจะรักษาไอ้นี้เรยกวิคนะคะนักขาตรวจดีเหตุธรรมะจริงไม่ใช่ เร่เล็น้อยเรื่องใหญ่โตทำธรรมะและะว้รรวรักษาตัวแล้วภัยก็พ้นเป็การมีธรรมาเลยคํามรู้จึเทา่าไรจะรู้สึกว่ามันจะม่พอกับความดาความอยัเกเอ้น้าํๆๆาหนักกวทุกๆอะไความอยานี้จะลดตัวลงได้ด้วยหน้ า, นาของธรรมะคือเหตุผลมันจะเป็นคํูถ้ารู้แล้วคำัูดก็มีเงื่อนนะเราถมีธํา ตอนนี้จะตัวนเป็นังไงนี่คือเอาแต่ทำอย่างในขณะนั่งเป็นประมาณอันนี้ไม่โอ้ตื่นมากตื่นมากนั่นฟังตนมกังยีน้นเป็นส่เพศนะครับเลาัดษาตัวเล็กจะือ ท่านานาทนมีรู้ัญญท่านเหตุเหตุนี้ดูเรื่องของความเคลื่อนไหวในใจด้วยสติปัญญาเปนเคื่องกำกับามาในสิ่งที่เคื่อนไหวแต่ทันตามตามรักษาตามเตะตามขันเหมือนกับสมองมมาตเนี่ โทษ ต, ตอไประหว่าง ม, มาก็เรือมีกำลังามากกว่า ไ, ไปไหนเ่ า, า ม, มากกว่าโตัตนอเอากันเอไป็นามนิทีนแค่แ้เาแค่แล้แวเราจะข้ามกระดา น, นข้งในานมามแค่ น้ำกว้างน้ตับยากเปนการะทำดีเลน้ำดูดน้ำกวางน้ำดูดตับยากดึงน้ำออกดึงน้ำออกตาไม่มีทิดชอนี่นิ่งลงตามน้ำน้ก็เป็นอะไรนี่เป็นการดินลงไปดึงงไปดึงไปดน้ำออกเรื่อยๆจนน้ำหมดตาไม่ีเชื่อใจเราองถึงตัวท่กนเขาต้องกานเอาหนึ่ง สิ่งก่อนจิตใจนี่น้ำหมที่เราทำยาณชุกิ่ที่เราทมันเปนิอนจิคุณมองม่เห็นตัวติดเลยมันจะใาจะติธรราดาจะาความเพลียที่เรื่องนีๆได้ไม่ต่อเพื่อเรองอนันก็ค่อยเห็นเนีอนของจิตที่แสดงตัวงาตัวมาเรื่อยๆเลยไม่หยุเหมือนตอนน้ามันลดลงแค่ ร่นลงไปร่นปเห็นทักทักท่เนางเกิดข้ามขึ้นมมันกรเดิกกระดกเออขึ้นมาเรื่องอะไรขึมาเห็นหมดับเพิ่มทักรู้แล้วมันมีเงื่อนต่ออะไรบ้างจะเป็นพบเป็นภาพต่อไปมันบอกอยู่ในหนังสือแฝไปแฝงไปโดนทำลายขึ้นหมดถึงไมต่อเป็นพบเนทกไมมีเหลือแต่ธรรมาติันรุ่นเกิดเป็นน่าน้งมันก็เหมือกับเสือตัวหนึ่ง มันเคยเป็นพิษเป็นพายต่อตัวเองทลายจิตตรงนี้มันก็นเหมือนกับเสือ ไ, ได้าคนไปที่ไหนขัดตายกันเลยห่อนี่มีน้ำข้า ม, มา ก, ากัดจนมาข้างคนพอถูกปืนทระหน่ำเสือตายแล้วเอามาวางไว้เอาไว้เลว่าทุกเกิดจะเป็นเสือก็ตามหูเป็น ห, เหูเสือหางเสือขาเสือเล็บเสืออะไรๆเป็นเสือทั้งตัวเน่ยทั้งหมดมันตายแล้วพอความรู้อันนี้เนี่ย เ้ลาเราเป็นิดมันเจนเต็มที่มันเยอนหนึ่งผักดางันามันเ็นสูนที่ผักด่างพลามันเ็นถูกทำลายเร่ไขึ้นอะหน่งเลือดจะบริสุทธิ้วนมันเหมือนกระตายแล้วขายไล้เงินหนังมันก็เป็นราคากระดูกก็เป็นราคาเอไว้ว่าทุกส่วนของเสือเป็นราคาหมดคิดว่าฆ่าตายแล้วมันเหมนกันเป็นราคาหมดออไม่ทำคิดอีกแล้วเจอ ถ้าเจอหานมพานที่ไหนฆ่าติดเอี่แหละทงการถึงจะรู้เองทางการคืได้จากตนอนนะถกตองถ้าพอดีแบเห็นตามที่ตานถอนอยู่ระดับก็ยอมจัดถ้าคจัดพานตามการตามเวลาสองพันห้าร้อยคิดสองสี่หนึ่งนี่เป็นการเป็นแต่ม่ข้ามกนมือ ที่แสดงคารหลักสขึ้นมาผู้ใดเห็นนั้นเห็นารเพราะฉะนั้นราษาคพที่แทจริงคือทําผู้ดเนทําแล้วผูั้นทือเป็นห็นารว่าราคนนี่ไมนหมายถึงการส่วนอันนี้ไม่เหมือนกันราษฎรดูคุณจะเขายพราะว่าคำนหมายถึงนักสานต่างนี่แต่คำว่าถึงนันเหมือนกัน สาพบริสุทธ์ก็ตามพระพุทธเจ้าบริสุธก็ตามต่พราลมาจนะทสามภพสุดท้าย้าไม่สุดก็ไม่มีอะไรแตกนความบิสุก์นี้คือความบริสุทนั้นเป็นอันเหมือนกันเหมือนแต่อันเดียวกันเพราะเป็นการเวลาของพระพระินาสกับพระพุทธเจ้าทือว่านิพพานจะเป็นเวลานานทนั้นเองไม่มีเพราะธรรมชาตนั้นไม่ใช่กาไม่ใช่สถารที่แต่ต้องชบริุทันเดียวกันเหมือนกันท เนเหมือนเขาได้เข้าเรื่อยๆตลอดเวลาในส่วนามกายแบมธรรมดาไม่มีการเหล่างไรหลักมีทาตุอยู่นั่คืานั่นทำเราให้สมาธินั่นคือสมาธิทำอ มีาเถีอาการอักเสบปวดปฏิเสธการการตรวจเสการวี่เต็มานแต่เวลานกลับ่ดันนันั่ิู้ตายจนคือหมดเลยติดอาการอหารท่านเวลาท่านทานดวยคนอื่ท่านจิตท่าเป็น นี icana, <ten> players, <ten> ่ยมีนะคนขัเมีนะถ้าจะเป็นอะไรนี่ถ้าจะเป็นทหารไม่ว่าอะไรนเดี๋ยวถ้าเป็นดึงเป็นฆ่ได้เยแต่ก้าเป็นทหานถ้าไม่ซึ่อกับการถาขนที่ได้ถ้ามปัญหาแล้วเราก็ทิ้งมไม่ซื่อกับข่ากับขันนะข้าขันเราก็สราบแล้วว่าข้าถึงจะหน้าดงไปเอ๊ะอนั้นไม่ใช่ข้าเขาขันนี้ ดึงใหเกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะมปะทะไม่ว่าจะอะไรทัมดแในเรื่องการเสียลายิตของฆาตันแล้วก็ไม่มีอะไรกระเทือนต่อความรู้สึกนั้นเลยเพาะธรรมชาตินั้นไม่มีการไม่มีมารานไม่มีวัตถุไม่มีอารมณ์ใดที่เขาไปเกี่ยวข้องอภิเจรตในการครอบครัวที่ว่าสมมุตินะมันจะพอเข้าใจมั้อ๋นะเด็กล็กเลยค้าวพรเทศเ่มาโตลูกไม่หรือโตลูกไปได้ไมหนูเก โตร thing, pumpkins, ุ <laughs> said, oh, ่ย right. oh, ่ำร like oh, ุฮะม้วหลังมันจะสุ่มไปวะอ้าเาลวแล้วะ่นนึ่งนะจะไปทปาน่าดีเดียวกว่ามบองนันน แต่แมุ่ว่าม่ตงกามสุตาน่นะีครับจะูะสูงไปหน่อยนะไม่ส <energetic Hol Hitler> <Tim> ูงอยู่กับพวกนียผู้รุ้นะว่านไม่ยืนยันครับ